บุกทูสิบเจ็ดเด็กเสพรอบบ้านแอนลาดอมบบ้านของเราอยู่ที่นี่เย็นนิย่ดอมบหลังคาอยู่ข้างบน ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง la กเกโลเอสตัสมัลสูเมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านเอสต s ส so a าร์เดโนมาลันเตอล o โดไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านเนเอสตัสสตรัโตอันเตอลาโ o มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านเอสตัสอาร์โวย์อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่เยนมิอาโลเจห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่เย้นแชมเห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ เย็นล v วิ o ง a m b ชั้ a โบร d o ค m ละดอร r มชั้บร์ประตูบ้านปิดละเอ็นิร์ปอร์โดเอสตัสเฟิรแต่หน้าต่างเปิดเ e ดละเฟนิสโตรย์เ t สตัสมาลเฟิร์มวันนี้อากาศร้อนอาร์เม เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นมีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นที่อัศว์โซฟาให้รักเสจเชิญ น, นั่งค่ะคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น ที่ e s ่ a s mia ต o m ม u t คอมพิวเตอร์อสเตอรีโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นที่นี่ตั้งแต่สมัยสเตอรีโออินสตาลาชัชุดทีวีเป็นของใหม่ละเทเลวิดิโลตั้ทุกเทนโว